อัสมุอลัฮุรรร่าห์มานุรรฮิยิม alhamdulillahi rabbin alamin วะบิฮิณัสต اع ิ لا حاولو لقوة إلا بالله العلي العظيم السلامualaikum warahmatullahi wabarakatuh ความสนิสุขความเมตตาและความจำเริญเจาะล้จงมุชุบแด่ท่านนะครับทำดุละนันสิฮัตที่อาจารย์เยาทองทาได้มอบให้สักครู่นี้ีผมว่าเป็นนัสิฮัตที่ดีมากนะครับโดยเฉพาะการสอนให้เราได้เอาใจใส่กับหลักการอิสลามโดยรวมไม่เจาะจงหรือว่า เอาใจใส่เฉพาะเรื่องหนึ่งเรื่องใดพอิสลามเป็นศาสนาแห่งวิถีชีวิตศา ส, สนาที่มีความครอบคลุมในทุกมิติของชีวิตนะฮะทั้งการเมืองการปกครองเศรษฐกิจการครอบครัวในเรื่องต่างๆนอิสลามสอนไว้ทั้งสิ้นนะครับแล้วท่านนาบีก็เป็นบุรุษที่ทําเป็นแบบอย่างไว้อย่างครอบคลุมทีเดียวนะฮะแล้วสิ่งที่จัยทญาฝากเอาไว้เนี่ยผมก็เน้นย้ํา อีกครั้งนะครับว่าในส่วนของการบริหารจัดการโลกนี้การเป็นคอลีฟอร์ตล้อฟิลอาร์คือการเป็นตัวแทนขอล้อบนหน้าแผ่นดินเนี่ยอัลลอ์ไม่ได้ให้ใครเป็นตัวแทนนอกจากสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนหรือว่ามนุษย์แล้วบุคคลที่ตระหนักในข้อเท็จริงนี้เนี่ยก็ไม่มีใครนอกจากผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอ์และผู้ที่เชื่อ ว่าบุคคลแรกที่ลงมาอยู่บนโลกนี้คือนบีอาดัมอะลัยสสลามอินนีจยลุฟิลอารีควลิฟานี่คือนบีอาดัมบางคนเขาเชื่อว่าเกิดมาจากลิงนี่เขาปฏิเสธแน่นอนหรือบางคนไม่ศรัทธาต่อนบีอาดัมอะลัยอัสสลามไม่เชื่อว่ามนุษย์มีต้นตอมาจากท่านนะฮะดังนั้นเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เราจะไปหาที่อื่นไม่ได้นอกจากต้องกลับสู่คำเีร์อันกุรานเท่านั้นนะฮะแล้วก็ การเอาใจใส่กับ เ, เรื่องเหล่านี้ถือเป็นไอบาดาเช่นเดียวกันอาจารย์อยาใช้คําว่าไอบาดานี่คืออะไรนะฮะไอบาดานี่คือความรับผิดชอบหรือเป็นภารกิจที่เราต้องปฏิบัตินี่ก็คือใช่เลยนะฮะคือกิจกรรมที่เราต้องปฏิบัติไม่ใช่เฉพาะละหมาดอย่างเดียวละหมาดเป็นไอบาดาที่สําคัญผมเพื่อนำเสนอแนวคิดที่ว่า เข้ามาสัส jid เนี่ยดำรงละหมาดออกมสัส j ิดเพื่อไป จ, จ่ายสกาดแล้วเราก็ได้พูดในอันกุรอาเนยเยอะมากนะฮะว่ากีมุสลัห์ว่าอุตสักาวันนี้เนี่ยเราจะศึกษาเกี่ยวกับการดํารงละหมาดส่วนหนึ่งนะครับอัลลอฮ์แต่เข้ามาสัส j ิดเนี่ยเพื่อดํารงละหมาดออกมสัส jid เพื่อไป จ, จ่ายสกาดอันนี้ก็คือสโลแกนของผู้ศรัทธาเพราะร้อนเนี่ย สั่งในหลายอายัด้วยกันว่ากีมุสลัห์วะอาตุสจากาไม่ต่ำกว่า20่สิบตำแหน่งในอันกุร่าจงดํารงละหมาดและจงใจสะากาดํารงละหมาดในเราเข้าใจมุสลิมเนี่ยที่มองว่าเป็นปัญหาคือออกห่างไกลจากทั้งละหมาดและสะากดายังไงฮะละหมาดนี่คือไม่เข้ามัสิ น, นี่ขาดการดํารงละหมาดสะกดานี่ให้ความหมายทั้งสองกลุ่มคือคนไม่เอาใจใส่กับการประกอบสมาธิเลนี่กลุ่มหนึ่งกับอีกคนหนึ่งคือเอาใจใส่กับ ประกอบสามาชีพแบบลืมสกาดซึ่งก็ผิดก็สุดตรงไปอีกฝั่งหนึ่งแต่สําหรับผู้ศรัทธาละหมาดก็มีการสุดตรงนะฮะละหมาดแบบโอ้อวดหรือการไม่ละหมาด <st> เห็นนะฮะทุกเรื่องก็จะมีสุดตรงแล้วก็มีทางสายกลางระหว่างทั้งสองดังนั้นเนี่ยเราจําเป็นต้องใช้สโลแกนที่ว่าเข้ามาสัสยิดดํารงละหมาดนี่ผมไม่ได้คิดเองนะฮะเพราะเราบอกดํารงละหมาดและใจสกาัดใจสกาัดเมื่อไหร่นะบออกจะมสัสยิด <st> ถูกไหมฮะกระบวนการที่จะได้มาซึ่งสกาด ก, ก็คือการ ประกอบสัมมาอาชีพการทําธุรกิจการค้านี่คือกระบวนการที่จะได้มาซึ่งส ก, กัดมือนคงไม่ใช่อุมัสหมุนเขาตอบบอกว่าพวกท่านก็รู้ว่าเงินเนี่ยไม่ได้หล่ลลนลงมาจากฟากฟ้าเหมือนกับฝนที่ตกลงมาจากฟากฟ้าก็ต้องมีการสแสวงหามีวิธีมีเทคนิคต่างๆที่เราจําเป็นจะต้องเรียนรู้นะฮะดังนั้นที่ว่าเข้ามาสิทธิ์ดารงละมาตทำไมฮะเข้ามาสิทิ์เนี่ยอัลลอฮฺมัสตาลิอบวาบะรอห์มัดิกะดุอาชัดเจ ออกมสัสสิตก็คืออโลมาอินนีอัสอะลูกามินฟอเลิกโอ้เราฉันขอความปวดบานของผมแล้วความปวดบานดังกล่าวคืออะไรก็คือริสกีนั่นเองพอเราบอกที่ตันยายกอายะนะฮะอายะที่ว่าฟาอิดะกูดิอติสซาลันวันศุกเมื่อละหมาดเสร็จแล้วฟันตาชิรูฟินอาร์จงออกไปบนหน้าแผ่นดินจงแพร่ อ, ออกไปบนหน้าแผ่นดินว่าบตากูมิมฟอเบลและสแสวงหาความปวดบานฟอเบลิลในคานี้นะฮะก็เท่ากับอินนีอัสอะลูกมินฟลิกเห็นฮะ คำเดียวกันฟับนี่แก่กับฟับลินละความโปรดปรานขอหรซึ่งอญญายะในซุร้อนยุมะตอนท้ายเนี่ยความโปรดปรานในที่นี้แน่นอนก็คืออนุญาตที่จะให้ออกไปแสวงหาประจายชีพได้แล้วออกไปทําธุรกิจการค้าได้แล้วซึ่งเลาะลงมาอญญายะนี้เนี่ยตำหนิบรรดาซอบ้าบางท่านนะฮะที่ได้ไปเอาใจใส่กับธุรกิจการค้าขณะที่ท่านในบีกําลังคุณตบุบะอันนี้คือผิดเวลาเวลาละหมาด ต, ต้องดํารงละหมาดจะเสร็จแล้วเนี่ยเราบอกออกไปหน้าแผ่นดิน สแสวนหาริศกีประจายชีพที่ดีและอย่าลืมสากาัดแน่นอนนะฮะแล้วเราก็ผนวกไปวัดกรุลลอฮากัสีรอนลาูดและชงรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายเพื่อพวกเจ้าจะประสบความสําเร็จน่าสนใจมากออกจากมัสยิดเนี่ยไม่ใช่บอกว่าลืมมาล้อไปเลยไม่ถูกต้องถ้าคนที่บอกว่าออกไปแล้วเนี่ยฉันไปอยู่ในดุนยาแล้วแยกกับพวกเซลูล่านี่คือแยกในมัสยิดเฉพาะอิบาร์ดาศาสนาศิจ ออกมัสิทธนี่คือส่วนของโลกส่วนของออผู้ปกครองส่วนของชีวิตในดุ n y ามุสลิมไม่ได้สอนแบบนี้อัลลอฮ์ไม่ได้สอนแบบนี้ลนบบนหลักสูตรที่อลัลลอฮ์วางออกไปแล้วทําธุรกิจทําการค้าขายไปทําการงานอาชีพก็ตามวัซรลุลลอฮากาธีรนันรำลึกถึงอลัลลอฮ์อย่างมากมายกลับมาที่มสัสยิดอีกครั้งหนึ่งเวลาอาลัลลอฮ์เนี่ยสั่งฟัสเออีลาเวลาเมื่อเวลามาวันศุร์หรือละมาดใดก็ตามนะฮะจงรีบรุดมาสู่การ Illa, il ดิกรินละอีละดิกรินละแต่รำลึกถึงอัลลอฮ์เช่นเดียวกันนั้นแสดงว่าเข้ามาสัส j ิ d ดํารงละบาดเนี่ยพื้นฐานของการรำลึกถึงอัลลอฮ์ออกมาสิทธ์ไปประกอบสามารถอาชีพใดก็ตามนะฮะบนพื้นฐานรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายนั้นจึงเป็นส โ, โลแกนเข้ามาสัส jid ดํารงละบาดออกมัสิทธเพื่อใจสกาใช้สกาอย่างไรฮะธรรมาชีพเนี่ยเจตนารมย์อย่างหนึ่งก็คือเพื่อให้บรรลุ ถ, ถึงสกา บาคนอนจะบอกว่าสกาดนี่ไม่จําเป็นต้องจ่ายก็ได้ถูกต้องฮะล้วบอกว่าถ้ามีพิกัดไม่ถึงจํานวนนะฮะเราจ่ายเป็นสลักก้อได้ไหมครับได้เป็นสิ่งที่ดีแต่ถามว่าสกาดหรือสลักก้อดีกว่าฮะสกาดดีกว่าทําไมฮะสกาดเป็นวาจิบสิ่งที่เป็นวาจิบหรือฟะรุอัลลอฮ์รักมากกว่าสิ่งที่เป็นสุนัตแน่นอนดังนั้นในชีวิตนี่คือตั้งเป้าอยากที่จะจ่ายสกาดทําไมฮะเพราะสกาดเป็นวาจิบถ้าสมมติว่าชีวิตเราทั้งชีวิตนะฮะ ไม่มีโอกาสละหมาฟดฟาดบูเลยเป็นต้นหรือไม่สามารถถือสิญอดได้เราจะบอกไงฮะคนรักษาสุขภาพต้องการที่จะให้ตนเองสามารถถือสิญอดได้นั่นความหมายก็คือต้องการรักษาหนึ่งในรูปกฎอิสลามเช่นเดียวกับอากาศและการละหมาดนะฮะดังนั้นเนี่ยสโลแกนเข้ามัสซิดดํารงละหมาดออกมัสซิดใจอากาศรมอตอนมาถือสิญอดฮัชมาก็ทำฮัชครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ นี่คือวิถีชีวิตของมุสลิมที่มีความขอบคุณขอบคุณอาจารย์ยะยานะฮะที่ท่านได้มอบน้ำเสียฮัตแล้วก็บวมถึงสถานที่ด้วยนะฮะอาจารย์ยะยาก็ใช้คำพูดที่พี่น้องก็ต้องเอาความคิดนี้ผมว่ากระจายเยอะๆเนี่ยถ้าบอกว่าสมถะผิดบอกว่าไม่ต้องใช้ไมค์กันแล้วไม่ต้องใช้พรมไม่ต้องใช้แอร์ล้วก็จะมาได้แล้วก็คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันกลางๆบางคนบอกว่าความฟุง้งเฟอ้อใช่ถ้าใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แต่ที่เราใช้ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แล้วก็ เกิดความดีงามนั่นเองนะครับนั่นนี่เป็นคําสอนในอันกุรอานแน่นอนแต่ว่าหลายคนเนี่ยผิดพลาดบางทีเราเองเออไม่ทันที่จะเอาใจใส่เนื้อหาหลักจากอันกุรอานแต่ไปใช้ความคิดแบบเข้าใจเองแล้วอาจจะอ้างว่านี่คือจากกุรอานและจากสุ น, นัขท่านอับดุลซอรอแต่แเนื้อหาในกุรอานจริงๆนะฮะไม่เคยแยก ว, ว่าเฉพาะเข้ามัสยิดอย่างเดียวนี่คืออิบานะออกจากมัสยิดนี่คือเรื่องของดุลยา เป็นแสนว่าชีวิตของเรามันก็จะขาดขาดตอนแล้วก็ผมมองว่าวากีมุสลาหัวอาตุสกาเนี่ยสำคัญคู่กันตลอดสโลแกนแ ต, ต่อจากนี้ไปนะฮะเข้ามาสัสยิดเพื่อดำรงกรมะตออกมสัสยิดก็ไปปฏิบัติอีกภารกิจหนึ่งก็คือสกาเนี่นเองนะครับในซุรหอฮูดอะลอิสลามอัลลอฮ์สุบฮานุฮวาตาหลังจากที่เราได้ศึกษาตั้แต่ตอนต้นนะฮะแล้วก็อัลลอฮ์ได้หยิบยกเรื่องราวของนบีท่านต่า ง, ต, างต่างแต่แตนบีนัวในบีฮูดกลุ่มชนของท่าน อาดนะฮะน บ, บีซาลและกลุ่มชนของท่านคือสมูตน บ, บีลูตพร้อมกับน บ, บีอิบราฮีมน บ, บีชุเอฟอลัยอิสลามและกลุ่มชนชาวเมืองมัตยันและน บ, บีมูซาอลัยอิสลามเนี่ยถ้าเรล่งนี้ถูกเรียบเรียงมายัางเป็นระบบเอาล่ะบอกถึงเริ่มต้นจุดกลางบั้นปลายเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มาสรุปในยะท้ายๆนะครับสั่งให้ท่านน บ, บีซอลลลสัฟัสตคิม กามอุมิรตวัมันต์บามะอักวะลาตุกโกจงดำรงอยู่บนหนทางอันเที่ยงตรงหนทางเที่ยงตรงที่นําเสนอกับพี่น้องก็คือสิรอตันมุสติกิมหนทางที่ไม่สุดโต่งอาจารย์พูดถึงประเด็นสุดโต่งใช่ไหมฮะไม่สุดโต่งฝั่งหนึ่งฝั่งใดเราให้มันเป็นกลางๆงในทุกสิ่งนะฮะทุกเรื่องมุสิมไม่สุดโต่งคือเอาแบบกลางๆางสุดโต่งในที่นี้คืออะไรฮะไม่ใช่ว่าสุดตรงกลางตรงกลางระหว่างความดีและความชั่ว เอาาะว่ากลางๆไม่ต้องเคร่งมากยังไงฮะเละหมาดกลางๆคือยังไงไม่ต้องละหมาดครบห้าเวลาก็ได้เอาแบบกลางๆไม่ต้องเคร่งสะดวกเวลาก็ละหมาดอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ากลางนะฮะอันนี้คือผิดคือสุดโตงกลางที่ว่านี้คืออะไรฮะกลางก็คือแนวทางของล้อแนวทางของท่านอับดุลเบี๊ย์ซอลลฮ์ฮัวะไรแลบนั้คืออยู่สองระหว่างความสุดโต่งที่ผมยกตัวอย่างอย่า ง, างเช่นเรื่องการละหมาดเอาล็อกล่าวไว้ในซุลรออะไรฮะ เอันมาอูลฝ่าวายลุลินมุสลินหายนะจงมาสบแดดบรรดาผู้ละหมาดละหมาดแบบไหนอัลลอดีนาะฮุมอัลสลัติฮิมซาฮุนที่ลืมละหมาดก็คือละเลยต่อการละหมาดที่บอกนี่สุดตรงใช่ไหมฮะละหมาดบ้างทิ้งบ้างอันนี้คือละเลยหายนะจงมาสบแดดเขาแล้วคนที่ไม่ละหมาดเลยหายนะไหมฮะก็ยิ่งหายนะนี่คือสุดตรงฟังหนึ่งคือละเลยละหมาดอีกคนหนึ่งอัลลอดีนาะฮุมยูรออูนละหมาดประจําแต่ยูรออูนคือโอ้อวดนี่ละหมาดนี่ละเลยละหมาด อันไหนถูกครับไม่ถูกทั้งคู่ที่ถูกก็คือละหมาดบาคนบอกว่าไม่มาละหมาดมื่อิษย์หรือไม่ละหมาดที่คนเห็นหรือไม่ทำความดีต่อหน้าคนเลยเพราะอะไรเพราะเกรงว่าคนจะเห็นอุลมะบอกว่าอิหม่ามาินุกีมนะฮะได้บอกว่าการละทิ้งความดีใดเพราะเกรงคนอื่นจะเห็นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจากการตั้งภารีต่อรอยังไงฮะคือคือละทิ้งอีบาดานหนึ่งเพื่อคนอื่นนอกจากอัลลอ เห็นพระไหมฮะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่า <_ d ance> ไม่มาละหมาดไม่สิทธิ์ทำไมฮะอ๋อเดี๋ยวจะโอ้อวดฉันละหมาดคนเดียวหลบๆอีคลาสมากกว่าแบบนี้นี่คือผิดหรือไม่ละหมาดเลยเวลาอยู่กับคนคนเห็นบอกไม่ทําความดีไม่ละหมาดไม่สตอก็ไม่ทําความดีต่างๆทั้งที่ใจอยากจะทําเพราะเกรงว่าคนอื่นจะเห็นเป็นการโอร้อวดถ้าแบบนี้นี่คืออะไรฮะนี่คือไม่ถูกต้องเป็นการทิ้งบางสิ่งเพื่อผู้อื่นนอกจากมันก็คือเพื่อคนอีกคนนึ่งก็คือ การละหมาดโดยการโอ้อวดก็ผิดเช่นกันที่ถูกต้องสายกลางคืออะไรครับคือการละหมาดแบบไม่โอ้อวดแม้คนจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามนะครับนี่คือสายกลางนะฟาสตากิมกามอุมิรตะสายกลางในเรื่องของการละหมาดอย่างเช่นเรื่องของการเงินเรื่องของสกาดบางคนลุ่มหลงกับตัววัตถุตัวการเงินให้มันเป็นเป้าหมายอันนี้คือสุดตรงฝั่งหนึ่งเข้าใจไหฮะเงินเป็นเป้าเป็นหลักในชีวิต ทำยังไงก็ได้ให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองนี่คืออัลฮะกูม um ุตตะุดการสะสมทำให้พวกเขาลืมหลงลืมฮัตตาจุรตมุลมากอบิจนกระทั่งต้องไปเยี่ยมกูโบก็คือเสียชีวิตอนี่อายะหนึ่งนะฮะเราตำหนิบรรดาคนที่หลงลืมเนื่องจากการสะสมให้เป็นเป้าหมายในสุระ อ, อัลฮูมาซาไวลุลีกุลหูมาซาติลูมาซาไฮนาจงมาสบดต่พกชอบดินทาชัว่วรายต่างๆอัลละดีคือผู้ที่ยะมะอามาลาอูอัดะรวบรวมทรัพย์สินแล้วนับมันเป็นประจําสม่ําเสมออันนี้ก็คือหลงไหลในทรัพย์สินให้ทรัพย์สินเป็นตัวหลักอย่างเช่นอบูละครับอัลลอฮ์บอกว่ามาอักนาอันฮูมาลูฮูอมากซับทรัพย์สมบัติของเขาไม่ให้ประโยชน์กับเขาและสิ่งที่เขาขวนขวายเนี่ยไม่ให้ประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นกับเขา อบูลอาบเนี่ยเป็นคนรวยแต่ทรัพย์สมบัติไม่เกิดประโยชน์ต่างกับท่านเนี่ยมีซอลลอหท่านนีีเป็นคนร่ำรวยอัลลอฮ์บอกว่า ว, าวยยาะวะเจตการอิรันฝะอึนนาพระองค์ไม่ได้พบเจ้าเป็นผู้ที่ยากจนแล้วทําให้ฝะอึนนนี่แปลว่าร่ำรวยมิใช่หรืออุลาม่าบอกว่าท่านอบีร่ำรวยทั้งการค้าและร่ำรวยจากทรัพย์สินของท่านหญิงคอดีดิจะรอเดียลลอห์อันฮะแต่การร่ำรวยของท่านอบดเนี่ยเป็นปัจจัยทําให้ท่านอบีสามารถบริจาคได้มาก บริจาคทีนึ่งเป็นเหตุทาให้คนทั้งเผ่าเนี่ยเข้ารับอิสลามแสดงว่าตัวทรัพย์สินเงินทองเนี่ยกลางๆอยู่ที่ใครครอบครองการครอบครองเพื่ออะไรนี่คือแถวสายกลางกลุ่มหนึ่งก็คือเอาทรัพย์สินเป็นเป้าหมายเช็คซาดีอัมรอมะอัสซาดีนะฮะในทั f สินของท่านเนี่ยท่านได้บอกว่าในอายะที่อัลล์บอกว่า z u ิ l ub ub ah in, i l i n a s i h l l a h u r t i m i n a l z a h a b w a l f i ว t a w a l มนุษย์เนี่ยถูกทําให้ชอบพอชอบผู้หญิงชอบลูกหลานชอบทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายภาชนะที่สวยงามอย่างเช่นม้าที่สวยงามวันอนาามีวันฮารัสปสุสัตวมากมายเรื่องสวนที่ดินอสังหาริมทรัพย์มนุษย์ชอบครอบครองสิ่งเหล่านี้อัลลอฮฺแทลิกามะตาอุลฮัยาติดุลยานั่นคือเครื่องมือหรือว่าปัใจจัยในการดําเนินชีวิตในโลกนี้เครื่องมือคือไม่ใช่เป้าหมายวัลลอฮฺหุยนหุฮุสนุลมาต์หน้าที่อัลลอฮ์ต่างหาคือ ทุสตุลมาฟคือบั้นปลายที่ดีสแสดงว่าเช็กซาดีบอกว่าคนเนี่ยแบบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือให้ทรัพย์สินเงินทองเป็นเป้าหมายผิดธรรมชาติให้สิ่งเหล่านี้เป็นเป้าหมายให้ผู้หญิงเป็นเป้าหมายให้ทรัพย์สินเงินทองให้ความออรถราที่สวยงามเป็นเป้าหมายในชีวิตจะได้มาด้วยวิธีใดก็ตามหรือได้มาแล้วจะปฏิบัติกับมันอย่างไรก็ตามแบบนี้ผิดพลาดให้เครื่องมือเป็นเป้าหมายนี้ผิด แล้วก็มีเยอะมุสลิมก็เป็นไม่ใช่มุสลิมก็ยิ่งเป็นใช่ไหมฮะ <archives> ให้สิ่งเหล่านี้เป็นเป้าหมายงนั้นเนี่ยก็เลยสังเกตเห็นว่านี่คนสุดต่งด้านการเงินนะฮะ um> ทำอย่างไรก็ตามให้ได้สิ่งเหล่านี้มาจะผิดจะถูกจะดอกเบี้ยจะโกงจะกินจะค อ, อ, อร์รัปชันไม่เป็นไรขอให้ได้มาเพราะมันคือเป้าหมายของเขาถ <š in> ้าแบบนี้ผิดไหมฮะแบบนี้สุดต่งฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งคืออะไรฮะอีกฝั่งหนึ่งก็คือสุดโต่งเหมือนกันบอกว่าไอ้สิ่งนี้ไม่สําคัญเงินไม่สําคัญเขาบอกว่าถ้างเงินไม่สําคัญจริงนะฮะ เงินไม่สําคัญจริงอันนี้คืออีกฝัก่งแล้วนะครับเงินไม่สําคัญจริงเนี่ยให้คุณหามาเยอะๆแล้วเอาไปให้คนที่เขาเห็นว่าเงินสําคัญอย่างเช่นคนยากจนเด็กกําพร้าคนที่เขาไม่มีเงินจะเยียวยารักษาในโลกนี้มีอีกเยอะไหมฮะไม่มีจิกันจะกินมีเยอะไหมฮะมีถ้าเงินไม่สําคัญจริงตามความสุดโต่งของอกลุ่มหนึ่งที่บอกเนี่ยให้นําทรัพย์สินเหล่านี้ไปบริจาคให้เขาสิมีคนต้องการทรัพย์สินอีกมากถูกไหมครับดังนั้นไม่ใช่ทั้งสแนว แนวที่รุ่มหลอกับทรัพย์สินเงินทองนี่คือแนวสุดตง่งแนวที่ไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นว่าแม้จะเป็นเครื่องมือก็ไม่เป็นเครื่องมือนี่ก็แนวสุดต่งเช่นกันแต่แนวตรงกลางคืออะไรฮะใช้ทรัพย์สินเงินทองลูกหลานครอบครัวสตรีคู่ครองออพาหนะอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะที่ดินทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะได้ฮุสนุลมาอับัลลอฮฺอินดหฮุฮุสนุนมาอับกลับไปหาอัลลอฮฺอย่างดีซาฮฺบะบางกลุ่ม ไอหมู่คนยากจนมาหาท่านน บ, บีสอดละอุสันมาร้องเรียนในหมู่ชาวมุฮ ა จิรินฮานิสซาฮิยะมาบอกกับท่านน บ, บีสอละสว่าพี่น้องของเราที่เป็นคนรวยเนี่ยแยง่งแย่งความดีไปหมดแล้วยังไงท่านน บ, บีถามยังไงสอดละอุกลุ่มเหล่านี้ก็บอกว่าพวกเราเออพวกเขาละหมาดพวกเราก็ละหมาดพวกเขาถือสินดพวกเราก็ถือสินดแต่พอพวกเขาทำซดาดะกา็ใจซดาดะกะหรือบริจาคสกาดแล้วเนี่ยพวกเราไม่มีจะทําแบบนี้บ้าง น บ, บิก็เลยบอกมันมานี่ฉันจะสอนให้กิจกรรมหนึ่งทําแล้วจะไม่มีใครได้รับเท่าที่พวกท่านทํานอกจากคนทําเหมือนกับที่พวกท่านทําอะไรครับท่านน บ, บีสเน บ, บิว่าสุบฮานอัลลอฮฺฮามดุลลาฮฺบาระย่างละสาสิบสามครั้งหลังละหมาดทาไปแล้วเนี่ยไม่มีใครได้รับความดีเหมือนกับที่พวกท่านทํานอกจากคนที่ทําเหมือนกับที่พวกท่านทํนาอนนั้นซอบะกลุ่มคนยากจนนะฮะก็เลยนําไปปฏิบัติ ปรากฏว่าเขาละบาดรมาสิทธิเดียวกันคนรวยคนจะไม่มีแบ่งชนชั้นนะฮะในหมู่สหบ้านเนี่ยไม่มีการตําหนิความรวยความจนไม่ใช่ความเลวทั้งคู่สหบ้านก็ละมาดด้วยกันไม่มีใครตําหนิใครไม่มีใครดูถูกใครคนรวยไม่ดูถูกคนจนคนจนไม่ดูถูกคนรวยแต่เขาละมาตด้วยกันแต่คนคนจนเขามีความกระหายอยากทําความดีเหมือนกันเลยปรึกษาท่านนบีนบีก็แนะนาไปทีนี้เขาเอาไปปฏิบัติแล้วหลังละบาตพี่ลองคิดว่าเวลาเขาอยู่ซอกเดียวกันเนี่ยเขาเห็นแล้วก็ต้องทำไงฮะถามไม่เมาจากไหนนบีสอนทํำไหมครับ ทำบ้างพอต่างคนต่างเอาไปทําบ้างคนรวยก็ทําคนจนก็ทําเท่าเทียมกันแล้วเนี่ยพี่น้องคนยากจนก็ไปหาท่านในบีอีกครั้งหนึ่งซา ล, ล, ลาห์มาร้องเรียนท่านนบีครับพี่น้องของพวกเราคนร่ํารวยเนี่ยเขาปฏิบัติเหมือนกับพวกเราแล้วนบีตอบย่าไงฮะซาลิกะฝุ่นลอฮิยุตีหิมายะชะนั่นคือฝุล่นี่ที่บอกความโปรดปรานที่ลอจะให้แก่บุคคลที่อัลลอฮ์ประสงค์ อัลลอฮฺซุนฟัตติลอาซีมอัลลอฮเป็นผู้เป็นเจ้าของความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ดังนั้นนี่แสดงว่ามันอยู่ที่ว่าครอบครองแล้วครอบครองเพื่ออะไรถ้าคนไม่ดีครอบครองอย่างที่บอกอาบูละคับอย่างเช่นกอรูเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะฟัสต์กิมกามาอุมิรต์ต่จงดำรงไว้ซึ่งแนวทางอันเที่ยงตรงในทุกเรื่องนี่ยผมเคยนำเสนอหลายครั้งนะฮะในทุกเรื่องแนวทางเที่ยงตรงเนี่ยอยู่ตรงกลางเช็ค อ, อ, อับดุลการิมนะถ้าผมจำผิดที่แปในหนังสือทางสายกลางอิสลามจําชื่อค น, คนเขียนไม่ได้นะท่านได้บอกไว้เนี่ยว่าทุกเรื่องในหลักการอิสลามเนี่ยเป็นแนวทางสายกลางทั้งสิ้นทุกเรื่องเนี่ยเป็นแนวทางจะเป็นระบบการเมืองระบบครอบครัวเรื่องกตธาต่อพระเจ้ากตฐาต่อบรรดาอับดุาห์และเราซูนนะฮะนั้นท่านอบีก็ถูกกําชับให้ปฏิบัติเช่นนั้นนะครับ เวลาติ ال ال รกานูอีลันระดีนองโซล่มัวนี่ก็อัลลอฮก็ได้กําชับนี่ผมทวนนิดหน้อยนะฮะว่าพวกท่านอย่าได้คล้อยตามหรือเห็นชอบกับบรรดาผู้อธรรมอธรรมส่วนหนึ่งก็คือความหมายอธรรมนี่คือการเอ่ออะไรนะฮะวางสิ่งไม่ถูกต้องกับตําแหน่งของมันอนี้ผมจะอธิบายอย่างเช่นการไปขโมยของทรัพย์สินงคน อ, อื่นมาฮะมาเป็นของเราอันนี้คือธรรมอาธรรมก็อะไรฮะ พรานี่ไม่ใช่ทรัสินของเราเอามาเป็นของเราเองอันนี้คืออาธรรมการที่ไม่ละหมาดเป็นความอาธรรมเนื่องจากว่ามนุษย์ถูกสร้างมาต้องละหมาดอย่างที่อาจยยายกเลยะว่ามาคลักตุนจินนวันอินสอินลาเลียบุเอลอออกแบบมนุษย์มาเนี่ยให้อีบารดาต่ อ, อลอพิคองค์เดียวชีวิตที่ปราศจากอิบารดาเนี่ยชีวิตที่อาธรรมทำไมฮะเพราะเพราะเออเครื่องนี้เนี่ยซอฟต์แวร์ในตัวของมนุษย์เนี่ยถูกออกแบบมาเนี่ยให้ให้ละหมาดให้อีบารดา คนไม่ละหมาดก็คือเขากาลังฝืนธรรมชาติในจิตใจเหมือนกับไม่มีการเ อ, อ่อสแกนไวรัสในคอมพิวเตอร์หรืออะไรต่างๆนะฮะนี่คือมันผิดธรรมชาติที่อลัลลอ์สร้างมาไม่มีการขัดเกลารไม่มีการชำระล้างในหัวใจดังนั้นเนี่ยอลัลลอฮ์จึงสั่งให้บรรดาผู้ศรัทธาอย่าไปคล้อยตามบรรดาผู้อธรรมฟพราตมสกมุลนะจะเป็นเหตุทาให้นรกเนี่ยประสบกับพวกเจ้า หัวมาลาคุมินดูนิลาฮْมินอูเลียและพวกเจ้าก็จะไม่มีใครช่วยเหลือนอกจากอัลลอ์มินอาเลิยอื่นจากอัลล์ไม่มีใครซุมมาลาตุนซารูตและพวกเจ้าก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือหมายถึงว่าจะไม่มีคู่คุ้มครองใดๆตอนท้ายของสุรษ์มฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวัวะลลัมี่มีอายะห์นึ่งที่อัลล์บอกว่า t h ล t l i q ิ b i น n ที่ผมได้น่าจะพูดครั้งสุดท้ายก่อนที่จะจบในใน อ, อ, อายะห์นี้นะครับ ก็คือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยคือเขาไม่มีสังกัดหรือว่าไม่มี <Yeah. S 1> เขาเรียกว่าไม่มีผู้ปกครองไม่มีผู้ดูแลและเป็นความจริงอะสมมุติว่าจะให้ก้อนหินจใจอะไรต้นไม้ดูแลพเพราะไม่ดูแลไม่ได้เราเห็นชัดเจนนะแต่เขาเพึ่งพิงกับสิ่งเหล่านี้ต้องการที่จะมอบเป็นวลีหรือคนที่ใกล้ชิดกับสิ่งเหล่านี้เอาเราบอกว่าซาลิกบิอันละลาฮ์มาอลลัลละดีนอาเมนูดังกล่าวนี้ นั่นคือเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ปกครองของบรรดาผู้ศรัทธาหมายถึงเราเนี่ยมีสังกัดกับอัลลอฮ์คือคอัลลอฮ์เป็นผู้ดูแลมันมุสลิมก็ผิดพลาดเราด้วยหอเคนไม่ใช่มุสลิมก็ผิดพลาดทั้งหมดก็มีมีทั้งกลุ่มคนดีกลุ่มคนไม่ดีหมายถึงพูดตามบุคลิกภาพหรือลักษณะนิสัยนะฮะไม่ได้ความดีนะที่อัลลอฮ์ก็มีคนดีมีทั้งคนไม่ดีในมุสลิมมีทั้งคนไม่ใช่มุสลิม เออเป็นคนที่อาจจะขยนันไม่ขยนัน <g ül> ก็มีทั้งหมดมีปรับปนกันนะฮะมีคนที่ไปอทําคนอื่นในหมู่มุสลิมสุตรตงไมไหมฮะมีคนไม่ใช่มุสลิมสุตรงก็มีแต่บางทีเราจะมาบอกว่ามุสลิมสุตโตงอย่างเดียวใช่ไหมฮะเห็นเวลามุสลิมบอกว่าเอามุสลิมสุตโงไม่ใช่มุสลิมมีสุตโงก็มีแต่เราไม่เห็นด้วยกับทุกความสุตโตงเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะอัลลอฮฺสุบฮ า, านาหูวัตลาเนี่ยได้เออบอกว่าดังกล่าวนี้ เนื่องจากบรรดาผู้ศรัทธานหรืออัลลอฮฺเป็นผู้ปกครองของบรรดาผู้ศรัทธาคือมีสังกัดวันนัลกาฟีดีนะลาเมาละละหุมส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธเนี่ยเขาไม่มีผู้ปกครองหมายถึงว่าเหมือนกับเด็กนักเรียนไปเรียนประถมหรือไปเรียนอนุบาลเลยกันนะฮ ะ, ะ <laughs> ผู้ปกครองมารับกลับแล้วแล้วคนที่ไม่มีผู้ปกครองเขาจะกลับบ้านยังไงฮะกลับบ้านไม่ถูกคนไม่มีผู้ปกครองนี่เขาจะไปทําอะไรฮะก็จะไปเสเพล เขาจะไม่กลับบ้านด้วยซ้ําเขาจะไปหลงทางไปทํานั่นทํานี่ตามอัธยาศัยดังนั้นถ้าเป็นผู้ศรัทธาอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะมันก็จะกลับมาสู่ในหนทางของลอดังนี่คือจุดสําคัญมากที่เราบอกว่าถ้าหากว่าปฏิบัติตามผู้อธรรมแล้วเนี่ยผู้อธรรมผู้ที่เขาไม่รู้ไม่มีใหกมะไม่รู้เ อ, อทางที่จะกลับของเขาแล้วก็คือวะ ล, ลอหูอินดาหูฮุสนุนมาอับนะฮะก็จะกลับไปทางหลงทางถูกไหมฮะหลงทางไปที่ไหนฮะ เราไปในรกทีก่ไมีเคยมีใครไปสวรรค์นี่เรายังมีสังกัดคือนบีอาดัมเคยไปใช่ไหมฮะเคยอยู่แล้วเราก็เคยอยู่ข้างบนบีอาดัมนั้นกลับไปสู่สวรรค์คือทางนํามันเที่ยงตรงถ้าหลงทางไปไหนฮะก็หลงทางก็คือเหมือนกับว่าปล่อยในโลกนี้ก็เดินไปตัดสินใจเดินชีวิตของตัวเองไม่มีผู้ปกครองแนะนําพากลับบ้านไม่มีก็จะไปอยู่ไหนฮะก็จะฟาตามัสกุมุนารก็จะไปอยู่ในนรกส่วนบรรดาผู้ที่มีผู้ปกครองอยังไงก็ตามแต่สุดท้ายแม้จะหลงทางไปบ้างผู้ศรัทธา น, นะฮะ สุดท้ายวันเกียรมะก็จะมีวันที่เข้าสวรรค์แต่นั้นเนี่ยพอเวลาเราดูแล้วนะฮะอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาราเนี่ยเวลากำชับหรือเชิญชวนผู้ศรัทธาอายะที่แบบลึกซึ้งมากในสุรอะอะไรฮะอัตตารีมถ้าจะไม่ผิดน ะ, ะเวลาอัลลอฮ์กำชับผู้ศรัทธาเชิญชวนเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่เชิญชวนผู้จงเข้าสวรรค์เถิดเพราะผู้ศรัทธาทุกคนได้เข้าสวรรค์อยู่แล้วแต่เราจะบอกผู้ศรัทธาไงฮะ ยาอายุหัลลาดีนาอามานูโอผู้ศรัทธาทั้งหลายกูอัมฟุสตกุมบูอาหลีกุมนารกจงปกป้องตัวเองและครอบครัวให้พ้นจากไฟนรก เ, เราไม่ได้บอกว่าผู้ศรัทธาจงเข้าสวรรค์ทําไมฮะเพราะผู้ศรัทธาเข้าสวรรค์อยู่แล้วถ้าเป็นผู้ศรัทธาตอ่อเหรแต่เราบอกว่าจงปกป้องตัวเองและครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกเนื่องจากแม้จะเป็นผู้ศรัทธาประเด็นที่เสี่ยงคืออะไรฮะอาจจะตกนรกก็ได้ แต่แล้วเนีนนผู้ศรัทธาถ้าเราอยู่ในสภาพนี้ขออลัลลอฮ์ให้เราเสียชีวิตในสภาพที่เป็นมุสลิมแล้วก็ได้เข้าสวรรค์ของอลัลลอฮ์เลยไม่ต้องสุกสอบสวนนะครับถ้าเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยได้เข้าสวรรค์แน่นอนแต่ประเด็นคืออาจจะผ่านนรกหรือปเปล่าอัลลอฮ์จึงกำชับผู้ศรัทธาปกป้องตนเองและครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกเป็นคําสอนที่นึกซึ้งมากซึ่งคนที่พ้นจากไฟนรกนั่นหมายความว่าเข้าสวรรค์แน่นอนแต่คนที่เข้าสวรรค์แน่นอนไม่ได้หมายความว่าจะรอดพ้นจากไฟนรก ซึ่งคนที่จะรอดพ้นจากไฟนรกก็จำเป็นต้องเป็นผู้ศรัทธาดนั้นอลัลลอฮ์จึงบอกโอ้บรรดาผู้ศรัทธานี่เฉพาะกลุ่มและสั่งให้ปกป้องตอนเองและครอบครัวให้พ้นจากอะไรฮะพ้นจากไฟนรกดังนั้นประเด็นสําคัญที่เราเป็นผู้ศรัทธาต่อรอดแล้วเนี่ยคือระวังนรกและส่วนหนึ่งจากการที่จะปกป้องตอนเองให้พ้นจากไฟนรกนะครับอลัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาได้กล่าวในอายะที่ ร้อสเราศึกษากัน ส, สองอายัดนะครับวันนี้อัลลอฮ์เอาซุบิลไลฮินาเชตอนร้อมสั้นๆแต่ว่าเนื้อหาที่ดีมาก น, นะครับ <ت ص في ق> وأقيم الصلاة ط ف ي ه ا ر ز ف م من ا ل ل ي إن ا ل ح س ن ي ذ ه ب ا ل س ئ ذ ذ ك ر ذ ك ر ي ن วัศบร์ فإن الله لا يضيع أجر محسنين แล้วสุบฮานหัวตาได้กล่าวว่ากิมิสซาละเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เนี่ยคือวัตตะกิมฟัตตะกิมจงดำรงอยู่ในหนทางที่เี่งตรงใช่ไหมฮะเราบอกท่านนนบิวว่าแล้วก็พวกเราทุกคนว่ากิมิสซาละและจงดำรงละหมาดอักกิสลไม่ได้บอกว่า อั ด, ดีิสซาลาจงปฏิบัติละหมาดจงดํารงคือรักษาอย่างเคร่งครัดอี ก, กอมัตุซาลาเนี่ยคือการรักษาการละหมาดแบบเคร่งครัดแบบไม่ละทิ้งอีกอ้อมะเนีย่ยที่เราละหมาดออีกอ้อมะใช่ไหมคือการดํารงละหมาดคือไม่มีการทิ้งเปน็นเลยครับทำไมฮะเนื่องจากการละหมาดเป็นศูนย์รวมของความดีทุกประการในอุลมาบางท่านเนี่ยได้บอกนะครับว่าละหมาดนี่คือมีทุกความดีอยู่ในนั้นจะเอาเรื่องอะไร รักรวดอิสลามหาประการในละมานนี่คือรวมไว้แล้วจึงเป็นกิจกรรมเดียวที่มุสลิมห้ามทิ้งจาบจนที่มีสติรรสตปัญญาสติชาปัญญะจนกระทั่งเสียชีวิตตั้งแต่บรรลุศา ส, สนาภาวะนะทิ้งละมานไม่ได้ถือศี น, นดอาจจะลทิ้งได้ zakat อาจจะทิ้งได้ h a s อาจจะทิ้งได้าา ร, ไดรักรวดอื่นนะฮะ อ, อ, อะไรนะข้อแรกชาฮาดเนี่ยมีอยู่แล้วตลอดชีวิตก็เหลือข้อเดียวคือละมาน ละหมานี้ห้ามทิ้งละหมานมีทุกอย่างยืนไม่ได้ให้นั่งนั่งไม่ได้ให้นอนนอนขยับไม่ได้ก็แบบนั้นนะฮะเท่าที่สามารถเพราะอะไรเพราะละหมานเป็นศูนย์รวมของความดีทุกประการสอนหมดอะไรบ้างที่ละหมาดสอนมีอะไรบ้างหนึ่งชาฮดมีไหมฮะอัลชฮดอัลอิลาอิลัลลอฮตะชฮดวาอัชฮดอันมุฮัมมดันอับดฮวะรูลชฮดชัดเจนมีอะไรฮะละหมานมีละหมานแน่นอน ละหมามีสากาัดไหมครับสากาัดนี่คือความหมายคือการขัดเกลวหรือการเสียสละในละหมาดก็ต้องเสียสละเวลา<ม>ขัดเกลว์จิตใจในมีละหมาดมีซียามถือสิลดไหมฮะการยับยั บ, ย, บยังงดเว้นการกินการดื่มร่วมร้ระหว่างสามีภรรยาเนี่ยในละหมาดจำเป็นต้องปฏิบัติและมากกว่านั้นด้วยกินดื่มไม่ได้่ะว่าแต่เฉพาะกินดื่มพูดก็ไม่ได้พูดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับละหมาดแสดงว่ามีการถือสิลดมีฮัชไหมฮะฮัชก็มีฮัชนี่คือแปลว่าการมุ่งหน้า สู่ใบตุ่นล้อเพื่อปฏิบัติเศรษฐกิจบางอย่างละหมาดนี่หันไปไหนฮะหันไปทางใบตุลนล้อแสดงว่ารูปอิสลามหาประการเนี่ยครบอยู่ในละหมาดมีอะไรครับกุรอานก็มีสิครุ ล, ล้อก็มีสัลวาดนบีก็มีมารยาตตะฮิยะก็มีในละหมาดดูอามีในละหมาดสัลวาดเมือนที่บอกแนละ้วมีในละหมาดแล้วละหมาดคือศูนย์รวมแห่งความดีละหมาดคือศูนย์รวมของความดีมมมดนั้นจําเป็นต้องดํารงละหมาดเนอกจากนั้นเนี่ยละหมาดยังสอนให้เรามีโฟกัส เราต้องมุ่งมองจุดสูขุอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็มุ่งไปสู่อัลลอฮ์จิตใจทั้งจิตใจทั้งร่างกายอ่านี่คือสอนให้มีโฟกัสสอนให้รักษาความสะอาดละมาสอนให้มีวินัยเริ่มละหมาดแล้วเนยจะเลิกละหมาดได้ไหมฮะไม่ได้ถ้าอยู่ดีมาบอกอ่าละหมาดเอไม่เอาละไปทำอย่างอื่นต่อไม่ได้ซึ่งปัญหาของคนปัจจุบันนี้คืออะไรฮะ จับงานชิ้นใดแล้วเนี่ยเลิกกลางคันบางทีไม่เสร็จพอไม่เสร็จแล้วเนี่ยเสียเวลาไปแล้วใช้เวลาไปแล้วและงานก็ไม่ได้ผลออกมามันก็เลยเสียเวลาเปล่าๆถ้าเอาละหมาดเป็นโมเดลเป็นต้นแบบจับละหมาดแล้วเริ่มละหมาดแล้วตัก บ, บีรแล้วนะฮะไม่ทิ้งจนกว่าจะให้สลาบถ้างานของเราใช้โมเดลของละหมาดมาบรรจุคือเริ่มตักบีงานใดแล้วที่ดีแน่นอนนะฮะ เริ่มทักบิทงานใดแล้วจะไม่ปล่อยงานนั้นจนกว่าจะสลามเป็นยังไงฮะแน่นอนชีวิตของเรามันจะดีขึ้นหรือว่างานมันจะออกมามากขึ้นซึ่งโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เนี่ยปัญหาที่เยอะก็คือปัญหาสิ่งรบกวนรอบตัวเข้ามาเยอะมากแต่ละมาใ้สอนเราการจัดสิ่งรบกวนทุกประการมีใครตอบลายในละมาดไม่มีมีใครตอบแชทในละมาดไม่มี แม้แต่โทรศัพท์แม้แต่คนมาเรียกไม่มีทั้งสิ่นทําไมฮะละหมาสอนเรียบร้อยแล้วเข้าละหมาแล้วนี่คือโฟกัสอย่างเดียวคือการละหมาไม่เช่นเดียวกันเอามาปฏิบัติกับการงานการละการละหมานี่คือเป็นเสาของการงานเป็นเสาของกิจกรรมเป็นตัวอย่างเป็นแม่บทต่างๆของกิจกรรมเราเอาโมเดลของการละหมาเอามาใช้เนี่ยในการงานของเราผมว่าดีมากนะผมก็พยายามจะทําทําอยู่ก็มันก็ต้องฝึกไปอะไรไปใช่ไหม แต่มันก็ยากครละหม่านี่คือมันมันโฟกัสชัดเจนมันทําอย่างอื่นไม่ได้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเนี่ยเราจะน่าจะส่งเสริมรณรงค์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าคือการละหม่านไม่ใช่ว่าแค่เอ่อตักบี้อย่างเดียวแคืออิรียาบถต้องเหมือนกับท่านอับดุลรอฮ์แล้วพี่น้องดูนะชีวิตท่านอบีเนี่ยทําเป็นต้นแบบละหมานเป็นโมเดลยังไงนบีจับอะไรแล้วไม่ปล่อยฮะสุลลัลหัวอะไรวะสุลลัลอย่างงั้นดาวว่างท่านนี้ชัดเจนมากนะฮะดาวว่าคนนี้ปฏิเสธคนนั้นไม่เอาด้วย คือเรี่ก็เปลี่ยนวิธีเปลี่ยนวิธีแต่ตัวเป้าหมายเนะี่ยไม่เปลี่ยนสอรอหัวเลยวสักงั้นเนี่ยเจริญหมายก็สอนสอนสอะไรสอนให้มีวินัยสอนให้ตัดสิ่งรบกวนและสิ่งรบกวนเอ่อเป็นบุคลิกการตัดสิ่งรบกวนเก่งนะฮะเป็นบุคลิกของคนที่เข้มแข็งมุสลิมที่เข้มแข็งมินฮุสเนียสลามินมะริตัลกูฮูมาลายานีบุคลิกของมุสลิมที่เข้มแข็งประการหนึ่งซึ่งสําคัญก็คือ การทิ้งสิ่งที่ไม่ให้ความหมายกับตนเองนบีใช้คําสวยงามมากไม่ได้จะบอกว่าทิ้งสิ่งที่ไม่มีประโยชน์พระอนบีว่าทิ้งสิ่งที่ไม่ให้ความหมายกับตนเองเพราะอะไรฮะเพราะบางอย่างมีประโยชน์แต่เป็นประโยชน์ของคนอื่นไม่ได้เป็นประโยชน์ของเราแล้วก็ให้คนอื่นเขามีประโยชน์ไปในส่วนนั้นเขายุ่งกับสิ่งนั้นเขาเป็นประโยชน์ของเขาไงฮะหมายถึงประโยชน์ทั้งดุลยและอาคีร้อนเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็สิ่งที่มันมีความหมายสําหรับเขาสิ่งที่มีความหมายสําหรับเขา แต่ไม่ใช่ความหมายของเราอย่าไปยุ่งเนื่อคนกําลังพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยเราก็เข้าไปเนี่ยซ้ำไม่ส่งเสริมเพราะอะไรฮะออดเรื่องนี้เป็นเป็นประโยชน์ของ เ, ขเป็นความหมายของเขาไม่ใช่ความหมายของเราเดังนั้นในชีวิตต้องหาความหมายอะไรที่ทําแล้วมีความหมายเอาใจใส่กับสิ่งนั้นนะนอกจากนั้นแล้วหมา้ายยังสอนอีกหลายประการสอนให้เอาใจใส่กับยาม่าเอาใจใส่กับหลายอย่างความสะอาดอาทั้งตัวเราสถานที่อะไรต่างๆมากมายนะครับ นี่คือการสอนให้ดํารงละหมาดว่ากิมิสสอละและพี่น้องดูอ่านเวลาของละหมาดเหมือนกันเราบอกตอรอไฟน่ะฮะตอรอฟแปลว่าปลายตอรอไฟนี่คือสองปลายของกลางวันสองปลายของช่วงกลางวันก็คือปลายแรกช่วงกลางวันเนี่ยก็คือเวลาซูโบอุลมาบางท่านบอกว่าเวลาซุรีด้วย แล้ว ท, ทั้ที่ซูบ อ, อย่างเดียวซูบโบนี่คือปลายแรกของกลางวันเพราะเป็นช่วงเริ่มของกลางวันนี่คือเข้าเวลาสุบโบในเริ่มกลางวันแล้วถูกไหมฮะป ล, ปลายที่สองของกลางวันคืออะไรอัซซรีนี่คือหมดปลายที่สองของกลางวันอุลมาบางท่านรวมของซูรี่ไปด้วยแสดงว่าสามเวลาตอรฟ์ฟยินนะฮ ะ, ะก็คือสองปลายของกลางวันปลายแรกคือซูบโบปลายที่สองคืออัสรี่แล้วก็รวมถึงซูรี่ด้วย ว่าุละฟัมมีนันไลจงทมุลละหมาดสองปลายกลางวันและซุละฟัมซุละฟัมเนี่ยแปลว่ายามต้นของกลางคืนได้หรือว่าเมื่อกลางคืนแปลว่าการคืบคลานเข้ามารุละฟันมมุสลิฟาเนี่ยคือคําเดียวกันซุละฟัมก็คือช่วงยามค่ําคืนก็คือเอาใจใส่กับละหมาดยามค่ําคืนคืออะไรฮะเวลามะเริงกับเวลาอิชาซึ่งเราใช้คําเนี่ยมีไม่ไม่กี่ตำแหน่งนะฮะที่อัลลอฮฺระบุ เวลาละหมาดในอันกุรอานส่วนใหญ่ละหมาดเนี่ยเวลานะจะระบุในสุ น, นัขของท่านนาบีสอมีประมาณสามตำแหน่งที่ถูกระบุเวลาละหมาดในอักุรอานแสดงว่าจุดนี้เนี่ยสำคัญและเราไม่ได้บอกเวลาชัดเจน5เวลาไม่มีในกุรอานจงดระหมาด5เวลาไม่มีแต่มีในสุ น, นัขของท่านนาบีสอลอัลลนะการที่อัลลอ์ใช้คำเนี่ยตรอฟยินนะฮะวซุลฟามิลลเนี่ยทำให้เราเห็นภาพความสวยงามของเวลาละหมาด เพราะเวลาละหมาดของมุสลิมเนี่ยผูกพันกับเวลากลางคืนและกลางวันซึ่งกลางคืนและกลางวันเนี่ยเป็นสัญญาณของอัลลอฮ์เราละหมาดเพื่ออัลลอฮ์และละหมาดตามสัญญาณที่อัลลอฮ์เนี่ยให้เราละหมาดเห็นไหมฮะเหมือนกับถือซีนอดไม่ใช่ว่าถือซีนดแบบว่าเฉยๆเปล่าแต่ถือซีนดตามสัญญาณดูฮิลัลทำไมฮะ ฮิลานขึ้นนี่คือสัญญาณที่เราอาจถือสินอดอฮิลานขึ้นอีกเดือนนึงก็คือละสินอดซูมูลิรุยะติฮีวาฟติรุลิรุยะติฮีแสดงว่าถือสินอดละหมาดอิบาระต่างๆสำคัญนะฮะจะหัสหรือสกาดอะไรก็ตามล้วนแล้วแต่ให้เอาใจใส่กับสัญญาณของอัลลอฮฺซุบะฮฺะลลัลลอฮฺนั้นแหะต่อราฟัยินนะฮะทั้งสัญญาณช่วงกลางวันช่วงกลางคืน แสดงออกว่ามุสลิมเป็นผู้ที่เอาใจใส่กับสัญญาณต่างๆรอบตัวโดยเฉพาะสัญญาณแห่งกลางคืนและกลางวันเป็นสัญญาณใหญ่นะแล้วมีอัสกันยามเช้ายามเย็นเพราะไงฮะเพราะเวลากลางคืนมันไม่ใช่เวลาปกติที่ดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนเวลาอยู่ดีๆเป็นกลางวันและกลางคืนไม่ใช่เวลาปกติกลางคืนและกลางวันไม่ใช่เวลาปกติดังนั้นเนี่ยที่เราสังเกตนะครับว่าช่วงผมใช้ใชคําว่าช่วงเวลาที่มีแสงดวงอาทิตย์แต่ไม่มีดวงอาทิตย์อันนี้เป็นเวลาพิเศษทั้ง ก่อนจะเช้าหรือช่วงเช้าแล้วก็ช่วงจะมืดช่วงเช้าคือเวลาอะไรฮะเวลาสุโบช่วงจะมืดนี่คือเวลามื่อกดบสองช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเดียวกันแต่ว่าต่างวาระช่วงจะเช้ากับช่วงจะมืดซึ่งช่วงจะเช้าเนี่ยก็คือเวลาสุโบช่วงจะมืดคือเวลามื่อกดบจําเป็นจะต้องระบุไว้หนึ่งละมาดซึ่งละมาดในช่วงเช้าเนี่ยสองรักษาและกลางคืนเนี่ย ทำไมถึงสเพราะกลางคืนเนี่ยขีมีวิเตสใช่ไ้ยฮะกลางวันเนี่ยเป็นคู่ก็เลยเป็นสองรักาเห็นภาพไหมฮะนั้นแสดงว่าความหมายของเวลาเดตอรฟยินนะฮะนมีความหมายสำคัญเกี่ยวเกี่ยวโยงกับเวลามุสลิมจึงเป็นคนรู้ตัวมากที่สุดคือนิยามของเวลามกักะบกับซโบนน่นิยามเดียวกันเวลาที่มีแสงดวงอาทิตย์แต่ไม่มีดวงอาทิตย์ ซึ่งมันเป็นสัญญาณขอรอสัญญาณที่ยิ่งใหญ่เฮ้ยมีแสงแต่ไม่มีดวงอาทิตย์มันยังไงมันต้องมีละหมาดแหล ะ, ะแบบนี้เป็นสัญญาณแล้วก็เช่นเดียวกันพี่น้องสังเกตดูนะครับเวลาสุริยะคติจันทรคติเนี่ยที่มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกอยู่ในแนวเดียวกันทําไมมุสลิมต้องมาละหมาดมันเป็นสัญญาณและในบีมาละบาดแบบหวาดกลัวแสดงว่าแต่ละวันเนี่ยมันเป็นสัญญาณใหญ่แต่บางทีเราไม่ได้นึกถึงนะครับสัญญาณใหญ่ เวลาที่ไม่มีดวงอาทิตย์อยู่เวลาภาพเกี่ยวระหว่างกลางวันและกลางคืนเฮ้ยไม่ธรรมดามันเกิดขึ้นได้ยังไงมุสซิมต้องสู่ต่อร้อนในช่วงเวลานั้นละเลยไม่ได้ต้องมีสู่อยู่สักหนึ่งหนึ่งลำอทั้งช่วงยามเช้าแล้วก็ช่วงยามกลางคืนนี่เป็นภาพวาจิบเช่นเดียวกันกลางคืนมีอิชากลางวันมีซูริอัสลีใช่ไหมฮะหลังจากซูโบ้แล้วเนี่ยเวลายาวทําไมเวลายาวหกดชั่วโมง ไม่มีละหมาดเนื่องจากว่าจะอันนั้นนฮะรามาอาชาเราได้ทําให้กลางวันนะฮะมาอาชาเป็นสถานที่หรือเป็นช่วงเวลาสแสวงหาปัจจัยยังชีพหมายถึงว่ากลางวันเอาล่ะไม่บังคับะฮะให้มีจังหวะเวลาคนไม่ทางานไม่งั้นเนี่ยครูเราจะมากังวลช่วงเช้าจะยังไงจะละหมาดอะไรอยเไม่ละหมาดสุบู์เสร็จออกไปเลยนะฮะเต็มที่จัดเต็มไปเลยทํางานเต็มที่ไปเลย เพราะอัลลอฮ์ได้บอกว่าจะอันนันนาห์รามาอาชะเราได้ทําให้กลางวันเป็นเวลาสำหรับหาประเจริญชีวว่าจะอันนันไลลาริบาซะว่าจะอันนาเนวมาคุมสูบาตะว่จอันนันไลลาริบาซะกลางคืนให้เป็นที่พักผ่อนให้การนอนหลับเป็นการพักผ่อนกลางคืนหลังอิชานเนี่ยมีอะไรไหมฮะมีเรียนมีศึกษาอุรอันนี้เป็นกรณีที่ศึกษาแต่ว่าถ้าไม่มีกิจกรรมอื่นอัลลอฮ์ปกติแล้วเนี่ยพระองค์ให้กลางคืนเป็นอะไรฮะ เวลาพักผ่อนและไม่มีละหมาดไม่ต้องมารบกวนเห็นไหมฮะความสวยงามเราไม่มีบังคับไม่บังคับให้ต้องมาละหมาดช่วงเวลากลางคืนยกเวน้นอาสาเช่นเดียวกันช่วงกลางวันเราไม่บังคับเพราะคนจะทํางานกลางคืนเราก็ไม่บังคับคนจะนอนการทํางานหกือการนอนก็เป็นปกติธรรมชาติของมนุษย์ทั้งกลางวันและกลางคืน เราจึงไม่บังคับเป็นช่วงเวลายกเว้นอาสาหรือคนรู้สึกว่ามันจะนานไปแล้วหกชั่วโมงกลางวันก็หประมาณหกชั่วโมงคืนก็อีกประมาณหกชั่วโมงกว่าจะถึงซุโบหลังอิชากลางวันก็เลยมีสุนนะที่เรียกว่าสุ น, นตุตุฮาละหมาดเวลาสายทําไมเอาคนรู้สึกว่าชักจะนานแล้อยากจะละหมาดมีสถานีและเป็นละหมาดที่ประเสริฐช่วงกลางวันคือละหมาตุฮาประเสริฐที่สุดของอกลางวันก็คือละหมาตุฮาเพราะไม่มีละหมาดอื่น ประเสริฐสุดของกลางคืนคืออะไรฮะกิยามุลเลนแล้วคนรู้สึกว่าเออรู้สึกจะนานไปหน่อยแล้วทํำไงฮะละหมาดละหมาดได้ไหมได้แต่คนจะนอนไม่เป็นไรเราตําหนิก็ตําหนิไม่ได้แต่ไม่ละหมาดสุโบตําหนิได้ไม่ละหมาดเอ่ออะไรนะฮะมักระบอีชาอันนี้ตําหนิได้แต่คนไม่ละหมาดกิยามุลเลนไม่ได้ไม่ละหมาดตุฮาไม่เป็นไรแต่คนจะละหมาดเป็นสิ่งที่ดีดีมากช่วงเวลากลางคืนรู้สึกว่านานไปแล้วหกชั่วโมงอ่าตื่นมาละหมาดหน่อยก่อนสุโบหรือว่าหลังอีชาระหมาด พลังวันก็เช่นเดียวกันแลวเวลาวัคกตูเนี่ยใกล้เคียงกัน8รอกาชช่วงกลางคืนมีวิตเต็อีกสกลางวันดูฮาก็อีก8รอกาชเห็นไหมฮะแสดงว่านี่คือความสวยงามที่อัลลอ์เนี่ยได้จัดวางเอาไว้เนี่ยว่ากิมิสต์ตรงทำนองละมาตตตอรอฟยินนารช่วงอสองปลายของกลางวันวัวซุละฟัมินัไล่ลยามต้นของกลางคืนแล้วเราก็ได้บอกอินนัลฮะซนะแท้จริงความดงามทั้งหลงายพี่น้องดูใช่ เราบอกจกนดำรงละหมาดกลางวันกลางคืนข้าเวลาครบใช่ไหมเราใช้คำว่าอินนัลฮัสันความดีงามทั้งหลายซึ่งความหมายก็คือตัวการละหมาดเนี่ยมีความดีงามทั้งหลายตัวการละหมาดเป็นสวนรวมของความดีงามในมุมหนึ่งคือถูกสรุปข้าววดปมความดีต่างๆอยู่ในการละหมาดอันนี้คือหนึ่งนะฮะและสองก็คือคนที่ดํารงละหมาดคือคนที่มีรัศมี พร้อมที่จะขยายความดีงามออกไปหลังจากการละหมาดมายถึงละหมาดอย่างถูกต้องละหมาดอย่างดีนบีสอลต์ละวันละซ้ำจึงจึงคนเวลามาชาร์จพลังคือชาร์จที่การละหมาดพอเสร็จแล้วชาร์จเสร็จแล้วก็คือไปขยายความดีต่อให้กับสาธารณชนและการละหมาดมื่อี่บอกว่าเป็นศูนย์รวมความดีแลนะเป็นประการห้ามปรามความชั่วอินน ah ัสซาลัตันฮะอานินฟะชัยวันมุกัรห้ามปรามความชั่วอีกด้วยอัลลอฮฺจึงบอกอินนันฮัสนัดแท้จริงความดีงามทั้งหลาย ซึ่งทั้งถูกรวมอยู่ในละหมาดและนอกละหมาดซึ่งมีอิทธิพลจากการละหมาดซึ่งผู้ศรัทธาไม่สามารถจะทิ้งละหมาดได้ไม่ว่าจะ ก, กรณีใดก็ตามแท้จริงความดีงามทั้งหลายเนี่ยยุธหิบนาไซอัสจะขับไล่ยุธหิบน่ะแปลว่าขับไล่หรือแปลว่าขจัดザฮาบานี่แปลว่าไปอัสฮาบานี่แปลว่าทําให้ไปทําให้ออกยุธหิบนาก็คือตัวความดีงามทั้งหลายเนี่ยยุธหิปน่ะทำลายหรือขจัดออกไปไซอาสก็คือความชั่วทั้งหลาย ซึ่งเราทุกคนก็มีความผิดมีความชั่วมีบาปต่างๆที่กระ ท, ทําทํำยังไงการดํารงละหมาดช่วยขจัดในหลายมิติขจัดทั้งขจัดจริงๆจากความดีไปจัดการความชั่วและขจัดคือเป็นการยับยั้งคนที่ดํารงละหมาดอย่างไรเสียจะทําไม่ดียังไงเนี่ยมันก็จะไม่เกินเวลาละหมาดถูกไหมฮะ พอกลับมาพอถึงเวลาละมัดมันก็กลับมาอีกทีหนึ่งให้ไม่น่าเลยวะช่วงนั้นไม่น่าไปทำเลยกลับมาตาวะตัวใหม่เดี๋ยวพอลืมอีกสักหน่อยหนึ่งกลับไปทําความผิดเดิมอีกสมมุตินะฮะอาจจะได้เราเวลาละมัดกลับไปอักิมิสโซอะเนื่องการงำละมาดเนี่ยมันทําให้เราเพิ่เป็นเหมือนกับเชือกนะฮะทให้สัตว์ถ้าเชือกให้สัตว์ไม่สามารถออกไปไกลจากเสาหรือสิ่งที่มันถูกผูกเอาไว้เนี่ยได้ไกลนอกจากต้องกลับมาพอถึงเมื่อสุดแล้วก็สกปรกเช่นเดียวกันชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ย ถ้าให้ละหมาดเป็นเสาดํารงละหมาดอย่างเดียวนะฮะอุลมะเขาได้บอกหลายท่านผมได้ยินนะฮะเขาบอกว่าปัญหาของคนที่ประสบกับความผิดต่างๆคือการไม่ดํารงละหมาดเชคอลินนฟี่เนี่ยเคยไปเยี่ยมคนที่อยู่ในเรือนจําแล้วเขาถามว่าคือถามจริงๆว่าคุณมีละหมาดมีปัญหาไหมเขามีปัญหาเขาบอกร้อยทั้งร้อยถามเนี่ยละหมาดมีปัญหาดังนั้นแสดงว่าถ้าดํารงละหมาดอินชาอัลลอฮ์คือจะมันมันจะไม่ไกลไม่ได้บอกว่าคนละหมาดแล้วไม่มีความผิดเลยไหม ก็มีความผิดมนุษย์ทุกคนมีความผิดแต่ความผิดเนี่ยเวลามันจะออกไปนิดนึงแล้วสมมติจะไปทําไปสถานที่อะไรที่มันเป็นความผิดนะฮะพอถึงเวลาละหมาดมันจะกลับมาในที่สุดถ้าดํารงละหมาดแต่ถ้าไม่ดํารงละหมาดนะฮ ะ, ะไม่มีประการมันจะไปไหนมันก็จะหลุดไปเลยนะเราจะบอกอินนัลฮัสนาหุซฮิบนะสัยอัลท่านอบีก็บอกเช่นกันความดีลบล้างความชั่วได้ อิตกลาไฮสุมากุณจงจับตกวาต่อเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามวัดบีไซอาตันฮัสนาตะตัมฮูฮาและจงติดตามความดีไอความติดตามความชั่วด้วยกับความดีติดตามติดตามคำว่าติดตามนี่คือนี่คือจุดที่ทำให้ เ, เราต้องมาตระหนักว่าคนคนทำความผิดทำความดีได้และในบีใช้คำว่าติดตามส่วนใหญ่เนี่ยคนจะไม่ติดตามเพราะอะไรฮะเพราะรู้สึกทาความผิดแล้วเนี่ย มันจะเฉันจะทําดีได้อ่ะมันจะมีจุดที่รู้สึกแบบเอ้ยฉันจะทําดีได้ได้เพราะในบอกให้ติดตามติดตามนี่คือไงฮะก็ ค, คือติดอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺจึงบอกเวลาคนทําความผิดว่าลายดีในザฟาอาลูฟาให้ชาตันทำสิ่งละมกเอาซอละมูอัลฟุสหุมหรืออาธรรมต่อตัวเองละคารุลลอร์ลึกเถื่อัลลอฮ์แสดงว่าจุดในการลำดึกเถื่ออัลลอฮ์เนี่ยลำดึกเถื่ออัลลอฮ์ตลอดแม้ขณะหรือภายหลังแมปแมปจากที่ทําความชั่ว แม้จะขณะหรือภายหลังแม็ปแม็จากที่ทําความชั่วก็ระลึ้งมือเถื่อนหรอบางคนบอกระลึ้งเถื่อนหรอเมื่อ ไ, ไรบ้างในขณะละหมาดแน่นอนขณะทํอาออกไปทํางานแน่นอนระลึ้งเถื่อนหรอไปทําฮัสซุมหรอถือสินอดก่อนละสินอดทำความดีอันคุ้มราญระลึ้งเถื่อนหรอแน่นอนแม้แต่ในขณะทําความชั่วก็ระลึ้งเถื่อนหรอเพราะเราบอก เอาเสอละมู um galaxies, them, ่เอาฟุตุมเมื่อเขาทาอาธรรมต่อตัวเองทาความชั่วทาความผิดแล้วเนี่ยถกรุ่นละรำลึกถึงละถ้าไมถือรำลึกถึงละแล้วรลึกถึงใครฮะากรลึกถึงละุลมันเป็นเหตุทไมฟัสตกฟรลิซนูบิฮิมและขออภัยโทษในความผิดของพวกเขาละถามว่าไมยฟิรุนูบะอิลลลแล้วใครจะอภัยโทษในความผิดให้ได้นอกจากละยฟิรุนูบะอิลละละ แล้วเราหวังเงื่อนไขบอกว่าวายลัมยูซิรูอัลามาฟาดุโดยที่พวกเขาไม่ยินกรานจะทําต่อไปไม่ว่าหุมยาอัลหมูนทั้งที่รู้ว่าเป็นความผิดเราบอกว่าการที่ความดีจะลบล้างความชั่วเนี่ยザลิกัดังกล่าวนี้ทั้งการดรํารงละหมาและการที่ความดีลบล้างความชั่วนีซิกรอลิซากิรินเป็นข้อเตือนใจสําหรับคนที่ราลึกได้ทั้งหลายซิกรอลิซาคิริน อันกุรอานก็คือเป็นอัลิกเป็นบทเตือนใจเป็นข้อเตือนใจสําหรับใครสําหรับคนที่ได้รับข้อเตือนใจแสดงว่าตัวละหมาดที่บอกผมออกเมื่อสักครู่นะคนจะออกไปที่ไหนไกลก็ตามนะฮะถ้ากลับมาดํารงละหมาดเนี่ยละหมาดก็จะมาเตือนใจยังไงเสียงก็กลับมาละหมาดละหมาดก็จะมาคอยยับยั้งเขาเนี่ยห้ามปรามเขาเนี่ยให้เป็นความช่วมีคนนึงท่านมีซองทาความผิดมีว่าความ อินัสซาลาตันฮาอลินฟะชัยวนมุกกะการละหมาดจะยับยั้งความชั่วซอบ้าคนที่ทาความผิดยังหยุดอยู่ยทําอยู่งั้นนะแล้วก็มีคนมาบอกท่านอะมีนคนนี้ไม่ไม่หยุดทําความผิดทําความชั่วเนบีบอกไงฮะแสดงว่าละหมาดใช้ไม่ได้ไม่ต้องละหมาดละเรอาจจะคิดแบบนี้ใช่ไหมฮแสดงว่าคุณละหมาดไม่ถูกใช้ไม่ได้งั้นไม่ต้องละหมาดไม่นบีบอกว่าจงละหมาดต่อไปดจงละหมาดต่อไปแล้วมันจะห้ามปามความชั่ว คือความยากเกลนของท่านธรรว่าอัลลอฮ์บอกเนี่ยแน่นอนเป็นความจริงอัลลอฮ์บอกว่าการละหมาดห้ามปรามความชั่วเราก็เชื่อเช่นนั้นเป็นความจริงแต่นั้นนี่ถ้าเรารู้สึกว่าละหมาดทำไมยังไม่เห็นเรายังทาความผิดอยู่ฮะทํำไงฮะเรื่องละหมาดไม่ไม่ใช่ฮะละหมาดต่อไปแล้วมันจะไปมีอิทธิพลสู่ความกับความชั่วนั่นเองแล้วความดีนี่อัลลอฮ์สร้างสร้างเป็นธรรมชาติไว้นะฮะความดีมีอิทธิพลเหนือกว่าความชั่ววันยังค่ํา จนวันเกียมะความดีมีอิทธิพลเหนือความชั่วอย่างแน่นอนนะ t h ลิก g i ิกร c ดังกล่าวนี้เป็นข้อตัด The k i r i สำหรับคนที่รำลึกได้ w a s b i ลเราสั่งต่อไปและจงอดทน Wasainu b i s a b เราบอกใหญ่ยนีพวกเจ้าจงขอความช่วยเหลือ b ด, ด้วยความอดทน wasala และอะไรฮะและการละมา อินนัลลอฮ์ฮาัสซาบินอินนลลอฮ์อยู่กับคนที่อดทนคือคือให้ทราบว่าอินนลลอฮ์อยู่กับคนที่อดทนแสดงว่าบางสถานการณ์เนี่ยที่มาประสบกับชีวิตเราอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ต้องอาศัยความอดทนเราอาจจะไม่ชอบแต่นั่นพึงทราบเถิดว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้อยู่กับอินนัลลอฮ์เพราะอะไรฮะเพราะเราจะเป็นโอกาสที่อดทนไง ถ้าอดทนแล้วอัลลอฮ์อยู่กับเราอินนัลลอฮ์มะอัซอบิรนแสดงว่าเออเราก็ถ้าจังหวะมีบางช่วงที่ใช้ความอดทนล้วก็อยากจะอดทนเพราะอะไรฮะเพราะเราสัญญาอินนัลลอฮ์มะอัซซอบิรุแต่เราบอกในอัยะนี้ว่าสบิรจงอดทนและการอดทนจริงๆก็คื อ, อการตอบแทนที่ไม่สิ้นสุดนะฮะอิ un, ah um นนามายุฟซซอบิรุนอัญชรหุมบิกรีฮิซแท้จริงบรรดาผู้อดทนเนี่ย จะถูกตอบแทนแบบไม่คำนวณมิโคเฮดีซับก็คือแบบไม่สิ้นสุดจงอดทนฟอนนลล า, าอนินุนเพราะอัลลอ์เนี่ยจะไม่ทำให้ผลงานความดีของคนทำความดีหรือการตอบแทนหรือรางวัลของคนทำความดีเนี่ยสูญหายไปแต่อย่างใดอันนี้เป็นกฎธรรมชาตินะฮะเป็นกฎที่อัลล์วางไว้คนทำดีเนี่ยความดีเราอยากคิดว่ามันสูญ คือมันออกมาแล้วจะเป็นคําพูดที่ดีหรือครกระทาที่ดีเนี่ยแม้ว่ามันจะดูเหมือนว่าหายไปแล้วมันไม่หายฮะมันยังคงอยู่เนี่ยแต่มันอยู่เป็นรูปแบบไหนเนี่ยไม่ทราบแต่มันจะไม่หายเพราะเราบอกไม่หายเวลาอยู่ดีอูอิฟนัลลอฮ์ลาอยู่ดีอูอิจรันมุฮัซินีมันมีแล้วแต่มันจะไปโผล่ที่ไหนและการที่จะโผล่ของความดีนะฮะบอกข่าวดีว่าไม่ได้ไปโผล่เฉพาะในโลกหน้าในโลกหน้านี่คือเราหวังอยู่แล้วและเป็นอันดับแรกนะ แต่ความดีจากการอดทนมันจะโผล่ในโลกนี้สุภาพบุรุษผมยกตัวอย่างการอดทนเป็นความดีเป็นรางวัลจากการอดทนน ะ, ะจะไม่ไปโผล่เฉพาะในโลกหน้าแต่มันจะโผล่ในโลกนี้เราจะให้เห็นในโลกนี้ตัวอย่างเช่นใน บ, บิยูซุฟอะอิสลามชีวิตของท่านเป็นไงฮะอาศัยความอดทนไหมอดทนมากถูกรังแก <c oughs> ไม่ว่าจะอยู่ในการกดขี่ของพี่ๆ <c oughs> ใช่ไหฮะ <c oughs> การถูกจับขายเป็นทาส การถูกผู้หญิงล่อลวงให้ทำความผิดทำความชั่วการถูกจับขังในเรือนจำโดยที่ท่านไม่มีความผิดต่างๆมากมายที่ชีวิตท่านต้องอาศัยความอดทนอย่างสูงแต่ขณะที่ในบิลซุปตอนที่ขึ้นไปย์ตำแหน่งสูงสุดแล้วเนี่ยคือเป็นผู้ว่าการคลังแห่งอียิปต์นะพี่ๆเนี่ยมามากระหลายครั้งและครั้งนึงเนี่ยมาในสภาพที่แบบแย่มากเอาล่ะเขทดสอบเขาบ้างใช่ไหมฮะแย่มากน้องหายอ่ะ น้องในหายไปคนหนึ่งบินยามีนแล้วก็ขุดพ่อก็ตำหนิพี่ๆเนี่ยอย่างมากคืออะไระฮะไม่ยอมเอาน้องกลับมาครั้งแรกก็ยูซุฟหายไปแล้วครั้งต่อครั้งที่สองอีกนะฮะแล้วพวกเขาช่วงนั้นเศรษฐกิจแย่มากก็เลยเอาของเอาสินค้าเนี่ยจะมาแลกกับนบียูซุฟอะเลสแล้วแล้วก็แสดงบอกก็บอกนบียูซุฟบอกอะไรน ะ, ะเออเอออะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะเอา aja มาหานาบียูซุฟยาอ uh ิหมฮัลอาซิสเรียกโอ้ท่าน พวกการคลังแห่งอียิปต์มัสนาวะอฮนดรพวกเราและครอบครัวกำลังประสบภาวะลาบากมากวัดจินาบีบีตอติมุสจาและนาเอาสินค้าที่จะมาแลกเปลี่ยนกับข้าวที่เราต้องการเนี่ยสินค้ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือในสภาพที่แห้งแล้วเราเอาสินค้ามันแบบว่าจะมาแลกเนี่ยมันอาจจะไม่สมราคานะฮะฝ้าเฟเรนันไกละดังนั้นได้ช่วยเราหน่อยะอย่าให้ สิ่งที่ท่านจะแลกกลับมาเนี่ยมันบกพร่องเลยไม่ถึงว่าให้มันเต็มเหมือนเดิมเพราะพวกเราต้องการถ้าบกพร่องแล้วเนี่ยมันยิ่งทําให้สภาวะทางครอบครัวของพวกเราเนี่ยแย่ไปอีกน้องเราเนี่ยไม่ได้กลับไปหาคุณพ่อก่อนนั้นอนิยูซุกก็หายไปพวกเราก็ตอนนี้ก็ไม่เจอแล้วคือพี่ๆมาแสดงความแบบว่าความรู้สึกลําบากให้กับนาบิอุตอนนั้นไม่รู้ว่านั่นคือยูซุกแ ล, ะละ้วนายิอซุกรู้แล้วว่าที่ผู้พวกเขารู้ว่านี่คือพี่ๆแล้วก็เป็นใครจําได้หมด อาราฟาฮุมอะุมและฮูมูลกีรูรู้แต่พวกเขาเจำนบียูซุฟไม่ได้ฝ่าเอาฟิลานเกลทำให้สมบูรณ์เถอะวัตสซัดตะไรนะ่แล้วก็เพิ่มให้แก่พวกเราด้วยขอสดตะกาวัตสซัดอะกไรเนะได้โปรดเพิ่มสดตะกาทำทานให้แก่พวกเราอินนัลลอฮ์ให้จืดมุตซัดเดกีแท้จริงอัลลอ์จะตอบแทนคนที่ทำซัดะกและบอกนบีอูซุฟด้วยนะฮะบอกอัลล์ตอบแทนท่านขออัลล์ตอบแทนนบีูซุฟเห็นภาพตรงนั้นนี่คือสงสาร รู้ทั้งดูว่าพวกเขาเนี่ยเคยกันแก้งวางแผนแบบว่านาบิยูซุฟร้องขอความช่วยเหลือตอนอยู่ในบอ่อไม่มีใครฟังแต่วันนี้พวกเขามาร้องขอความช่วยเหลือนาบิยูซุฟอะไร伊斯兰นาบิยูซุฟตอบอยงไงก็แหละก็ถามกลับนี่เป็นคำถามที่เด็ดมากแล้วก็สร้างความสะเทือนใจให้กับพวกเขาฮะลอัลิมตุมมาฟนตุมบิยูซุฟอะคีฮิอัตุมยาฮิพวกท่านพวกท่านรู้หรือเปล่า ร, รู้รู้ไหม ว่าพวกท่านทําอะไรลงไปกับยูซุฟแล้วก็น้องชายของเขาโอ้โหคือไม่ได้ทําแค่เฉพาะน บ, บิยูซุฟที่จับมาโยนนะฮะก่อนหน้านี้คือการแกล้งกดขี่มาตลอดนา บ, บิยูซุฟก็ถามพวกท่านรู้ไหมว่าทําอะไรลงไปกับยูซุฟและน้องชายของเขา <It S 1> อิันตุมใจลุนในะี่พวกท่านยังไม่รู้เป็นผู้ที่เขาไม่ทราบไม่รู้เรื่องตอนนั้นว่านี่คือสิ่งที่ไม่ดีก็รู้พวกเขาเลยกล่าวทันทีเลยนี่คําพูดนี้เนี่ ออกมาจากปากของคนเดียวที่จะรู้เรื่องราวได้คือยูซุฟไรส์แล้นอกจากพวกเราสิบเอ็ดเออสิบคนแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องนี้นอกจากอีกคนหนึ่งก็คือน้องชายของเราคือยูซุฟก็รู้เลยพวกเขาได้กล่าวอินนากาลาอันเตยูซ <up> ุฟท่านคือยูซุฟหรอคือเราเซอร์ไพรส์ฮะนี่คือที่เราสนทนานามาตลอดแล้วทำดีกับพวกเรามาตลอดท่านนี่คือย <"M> ูซุฟเหรอคือเซอร์ไพรส์มากก็ะนะูก็ตอบอันน่ยูซุฟฉันนี่แหละยูซุ วาฮาซาฮีและนี่น้องชายของฉันบินยามินที่ฉันจับตัวมาเนี่ยนะนี่คือน้องชายของฉันนี่และประโยช์ที่ผมต้องการจะนำเสนอกับพี่น้องก็คือจะมีสุขไม่ลืมว่าทั้งหมดเป็นความโปรดปรานของเลาก็ดมันนอลลอหูอะไรนีอาลอกโปรดปานเมตตาแก่พวกเราแล้วประโยชน์ต่อไปนี้นะฮะที่บอกว่าการอดทนเอาล็ Allah ตอบแทนทันทีในโลกนี้อินนาูมายติกวยสบิร แท้จริงใครก็ตามที่ตักวาและอดทนฝ่อินนัลลอฮะลาอูดีอูอัจรัมุฮซินีตอัลลอ์จะไม่ทำให้ผลลบุญหรือว่ารางวัลไม่ใช่ผ ล, ลบุญรางวัลของคนทำดีเนี่ยสูญหายแต่อย่างใดนม บ, บยูซุฟาริสลา ร, รมทราบกฎเกณฑ์ที่เราวางเอาไว้คอนี้อย่างดีนี่อดทนเหมือนกันใช่ไหมฮะไวแอสบิร์ฝ่าอินนัลลอฮะลาอูดีอูอัจรันมุฮซินเหมือนกันเลย แสดงว่าการอดทนเนี่ยเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ที่เราจะตอบจอบจะตอบแทนในโลกนี้ในโลกหน้านแน่นอนบิโกยริไฮซัแต่ในโลกนี้ม น, นุษย์เนี่ยเลาทราบนะฮะเราอย่าไปเอ่อที่อาจญรย์ได้บอกตอนอาซีฮัตเนี่ยว่าเราอย่าไปบอกออลมุสลิมนี่คือโลกหน้าอย่างเดียวใช่โลกหน้าของมุสลิมแน่นอนแต่โลกนี้ก็ของมุสลิมเหมือนกันเราบอกชัดเจนว่าอันนัลนลาฮ์คิรตาวะอูละเราเป็นเจ้าของทั้งโลกนี้และโลกหน้าสิ่งต่างๆที่เราสร้างมาในโลกนี้เนี่ย สร้างให้กับผู้ศรัทธาอุลฮียลินละดีนะอามานูฟิลไฮอาทิดุนยาความเพื่อแพร่ตั้งแความจรงงามต่างๆที่รอบสร้างมานะลิลละดีนะอามานูสําหรับผู้ศรัทธาฟิลไฮอาทิดุนยาในโลกนี้ขอลิสตายอมมันเกียมะแต่ในโลกหน้าพวกเขาได้รับโดยเฉพาะในโลกนี้ได้รับพร้อมกับผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์ไม่ห้ามให้ผู้ปฏิเสธได้รับด้วยแต่เราสร้างมาให้ใครครับลิลละดีนะอามานูฟิลไฮอาทิดุนยาสำหรับผู้ศรัทธา ดังนั้นเนี่ย Allah รู้ไงเวลา Allah บอกใน Surah a s s a f ฟเนี่ย Allah บอกว่าบันดาบุติฮัลอดุลลุุมอลาติจารอตินจัชชีถึงการทำธุรกิจที่ไม่ขัดทุนที่ทำให้ตุนญีุ่คุมินอาซาบินอาลีมพวกเจ้ารอดพ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวดตุมิยูนบิลละัาต่อ a วะรอสูลิฮิรอซุนขององค์วะตุญจฮิดูนฟซบิลลิลฮิบิอัมวาลิกุมอัมฟุซิกุม่สนทางของด้วยทรัพย์สินและชีวิตของพวกเจ้า ذ ้าดีกุมไคูลและกุมิ م กุตนั่นเป็นสิ่งที่ดีสาหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้ารู้ได้รับผลตอบแทนยังไงครับอัลลอฮฺอย่าฟิร์ละกุมตูนูบากอภัยโทษในความผิดของพวกเจ้าวายุดะขิลกุมเจนนาตินนาเข้าสวรรค์ตจิรีมินตัดที่ันอันหารมีแม่น้ำไหลสายไหลผ่านวะมาซาคีนตยบตัฟีจนนาตินมีสถานพำนักอันดีงามมาซานตยบฟีนนาต ในสวรรค์อันสถาพรเาดิกัรเฝอซุนอัซีมนั่นเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่จบไหมฮะอันนี้คือสวรรค์จบแล้วเนี่ยสําหรับคนที่ต่อสู้ในหนทางของรับคนที่อยู่ในหนทางของรับแต่เราบอกว่าอุเครอและมีข้อหนึ่งมีข้อหนึ่งเป็นข้อไหนฮะตัวฮิบบูนะฮะเรารู้เลยพวกเจ้าชอบกันอัลลอฮ์สวรรค์ไม่ชอบตัวนั้นก็ชอบแต่รู้สึกไกลแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวไม่ไกลเราบอกว่าอูเรอตัวฮิบบูนะฮะและมีข้อนึงพวกเจ้าชอบกัน ซึ่งสิ่งที่พวกเจ้าชอบที่จะล้อบอกนะฮะนั่นคือสิ่งที่จได้รับในดุลยานี้แสดงผู้ศรัทธาอย่าไปปฏิเสธดุลยาแต่อย่าไปหลงมันเช่นกันผู้ศรัทธาอย่าไปตั้งเป้าดุลยาแต่ก็ไม่ลืมในดุลยาเช่นกันตั้งเป้าเป็นอาคีรัตแล้วก็ไม่ลืมดุลยานี่คือสโลแกนของผู้ศรัทธานะครับอลอเราจึงบอกว่าโอ้ขเราตัวให้บัวนะอีกข้อหนึ่งพวกเจ้าชอบกันคือนัสรุมมินละลอชัยชนะที่มาจากอัลลอฮ์ในโลกนี้ว่าฟาจุนกอรีบและการพิชิตเมืองต่างๆที่ จะได้รับอันใกล้นี้แสดแงว่าการตอบแทนของอัลลอฮ์ในอินนาหุมัยยะตะกิวยัสบิรใครที่ตักวาน บ, บิยุซบบอกกับพี่พี่นี่เป็นกฎของอัลลอฮ์ที่เราวางเอาไว้และเป็นบทเรียนสําหรับมนุษยชาติทุกคนใครก็ตามที่ตักวาวัยัสบิรและอดทนฟาอินนัลลอฮ์ลาอุติว ين ين. ะจุรันมุฮซินินอัลลอฮ์จะไม่ทําให้รางวัลของผู้ทําดีในสุนทานซึ่งจุดนี้นะครับสำคัญมากเป็นการศึกษาอันกุรานแบบชีวิตจริงพี่ต้องดูเนี่ย คือถ้าเราศึกษาสุรนบียุซุปเนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพว่ามันไม่ใช่ว่าอดทนแล้ว<ม>อลัลลอฮ์ตอบแทนมันไม่ใช่แค่คําพูดอย่างเดียวเห็นภาพไหมฮะแต่มันคือถ้าเรารู้ชีวิตดบิยุซุปทั้งหมดอดทนยังไงตักวายยังไงและผลตอบแทนที่เร า, าให้กับท่านเนี่ยอย่างไรเพราะเราเห็นแล้วเออแบบนี้มันมีตัวอย่างแล้วก็น่านําไปปฏิบัติตามมันเห็นภาพชัดเจนแม้เวลาดูเหมือนจะนานก็ตามนะฮะ แต่เห็นภาพว่านี่คือผลตอบแทนที่อลัลลอ์ให้ผู้ศรัทธาในโลกนี้แ ล, ล้วเราวางกฎเกณฑ์เอาไว้เนี่ยฟ่าอินนัลลอฮลายุบีอุบอาจรันมุหัซินินอัลลอ์จะไม่ทำให้รางวัลของผู้ทำความดีเนี่ยสูญหายไปแต่อย่างใดคำว่าอันมุฮซินิน ah เนี่ยครับฝากไว้สุดท้ายนะก็คืออิฮซานคือการทำความดีความหมายของอิฮซานเนี่ยก็คือที่ส่านนาบีบอกอันแทบุดัลลอ การที่อิบาาฮิมตอบลอสที่อจานย์ห ญ, ญ่บอกว่าการทำภารกิจในชีวิตของเรานะฮะคือการทำอะไรนะฮะความรับผิดชอบที่เราทำในชีวิตเนี่ยเหมือนกับอัลลอฮ์เห็นกันในกาตารอเหมือนกับท่านเห็นอัลลอ์ฟอิลลัมตะุนตราร์ฮกไม่เห็น a, อัลลอ์ฟอิลนาฮูยรอกอัลลอ์เห็นท่านซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าไปดูในชีวิตนั บ, บิซุซบลุใช่เลยตั้งแต่ถูกพี่ๆจับโยนในในบ่ออัลลอฮ์ก็ปลอบใจในบลซุกอลไรซมตลอ วบุอาลอัลรีอลอเนี่ยดูแลกิจการของนบี ppo, อูซุฟอยู่คือกิจการที่พระองค์กาลังดำเนินไปอยู่เวลาที่อัสรันนัสลายะเลมูลแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้สำัมาบลกชุดดอะฮูอตยนฮุกมันูอิลมเมื่อนบีูซุฟได้ขึ้นถึงอายุที่เป็ น, ว, าา ah an, man, ah ub, นวัยชกันอัลล์ประทานฮุกมันฮิมาให้กับนบีอูซุฟไว้มาความรู้แสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยดูแลกับท่านนบียูซุฟอยู่ตลอดนะครับเช่นเดียวกันสำหรับคนที่อดทนอันนี้เป็นกฎโดยทั่วไป ในวิลสุปไม่ได้บอกว่าเพราะฉันอดทนเพราะฉันตั้งว่าเอาล่ะจึงให้ฉันอย่างนี้ถ้าแบบนี้คืออาจจะมองได้ว่าอ๋อนี่คือเฉพาะคนเดียวหรือเปล่าเปล่ า, ลาแต่ในวิซุปบอกเป็นกฎเกณฑ์อินหูไมยะตะใครก็ตามไมยะตะที่ทตัว้ว่าไวัสบิร์นนี่ในในกราเนียเป็ น, เ ป, นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอ่อซุนนุตุลล์เหมือนกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่ทดลองใครทดลองก็ได้ผลเดียวกัน ใค่ตักวาและอดทนก็ได้ผลเดียวกับนบีอูซุฟอัฟิสลามแต่อาจจะเขาเรียกว่าโจทย์คนละแบบเหมือนคณิศาสใช่ไหมครัสมการเดียวกันแต่โจทย์คนละแบบเอาสมการนี้เอาไปแก้โจทย์ทุกโจทย์เนี่ยแก้ได้หมดตักวาอดทนเนี่ยเอาเตอบแทนเอาเราจะเออไม่ทำให้รางวัลของผู้ทาดีเนี่ยสูญหายไ ป, ไปไปแต่อย่างไดนะครับก็คงฝากไว้แต่เพียงเท่านี้โยเซลเราของนบีนะมุฮัมมัด